เรามีเวลากันคน ล, ละไม่มากนักเท่าไหร่หรอกชีวิตท่านบอกว่าเป็นของน้อยนิดบางครั้งท่านก็เปรียบเทียบชีวิตว่ามันมีน้อยเหมือนอย่างน้ําน้อยในรอยโคบางครั้งท่านก็เปรียบเทียบชีวิตว่ามันสั้นเหมือนกับฟองน้ํา ที่ฝนตกลงมาหยดหยาดน้ำลงมาโดนน้ามันเกิดเป็นฟองแต่ประเดี๋ยวเดียวเยวท่านั้นมันก็แตกชีวิตก็มีช่วงระยะสั้นเท่านั้นเหมือนกันนั่นท่านเกียบหลายอย่างชีวิตเนี่ยเรามาพิจารณาดูว่าชีวิตของเราเนี่ยบางคนก็นึกว่ายาวตั้งเจ็ดสิบแปดสิบปีบางคนที่อย่างนั้น เด็กที่เกิดมาใหม่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวพอคิดว่าเรายังเหลืออีกนานอีกนานกว่าจะแก่จะเท่ากว่าจะตายยังไม่คิดถึงเรื่องว่าจะแก่เรื่องว่าจะเท่าเรื่องว่าจะตายมีความสนุกสนานเกิดเพลินไปกับเรื่องต่างๆตามประษายุคนั้นตามภาษาวัยนั้นๆที่เขาเรียกว่าประมาทในวัยไม่รู้จัก คือวัยเด็กปอสนุกคือนานแบบเด็กเล่นแบบเด็กนั่นแหะพอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไปลุ่มไปหลงไปเล่นกันแบบมุมแบบสาวนั่นแหละลุ่มหลงกัอยู่นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นมาตลอดเราไม่ว่าไวัยไหนเราก็ไปลุ่มหลงตามภาษาของโลกที่เขาอยู่ในวัยนั้นก็ลุ่มหลงกันไป ฟ, ฟ้าฟวานเอาหนุ่นเอานี่มาพอโตหน่อยก็อายุวัยกลางคนหน่อยควันไฟนเป็นการใหญ่ หาทัพย์สมบัติหาที่ดินหาบ้านหลังโตโตหาเงินฝักในธนาคารเยอะๆหาชื่อหาเสียงประดับจะบงตระกูลประดับชื่อตระกูลเจ้าของเอาให้จังอย่างนั้นก็มีนะจนกระทั่งหมดเวลาละช่วงเด็กก็ไม่ได้ทำละทําความทราบควาเพียงความดีพอ หนุ่มเป็นสาวเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ยิ่งไม่ได้ทำเลยทั้งตลอดชีวิตหนุ่มสาวเนะี่ยพอมาอายุวัยกัาค น, ก, นก็ไม่ได้ทําอีกแหล้มัวไปฟวันฝ้ายหาทับสมบัติฮะอะไรทําทให้ฐานะก็อบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเจ้าอยพออายุแก่เท่าชรามาเนี่คราวนี้จะได้เริ่มปิดบ้างปิดบา้านไอ้ที่เคยสนุกสนานนะ่ยมันก็เริ่มไม่สนุกสนานแล้วนะสักเส้นขึ้นมาแล้วแต่ว่าก็ยังมี บางคนยังขวัญขวายว่าเอาอย่างพอปลดเกษียนหมดเกษียนแล้วเน่ก็ยังที่ไหนจะไปทํานั่นทํานี่ทําไร่ทําสวนไปคือสวนเข้าไปจตรนูน่นแล้วไปปลูกต้นไม้นั่นต้นไม้นี่ปลูกไม้ผลไม้อะไรต่างๆนั่นนหะจะได้มีรายได้จะได้มีเครื่องอยู่วันๆหนึ่งจะได้ไปเดินดูต้นไม้จะได้ไปขุดกับจับแกล้งเอาไม้เตยปันตรงนั่นถางป่าตรงนี้ว่า เนี่ยเอาเป็นจนอยู่อยู่กับตนไม้อะไรอย่างนั้น่าบางคนก็จะเอาทรัพย์สมบัติมากๆายัางยังยังต้องการอยู่นั่นแหละในที่สุดความที่จะหย่อนคล้ายมาทำในจิตใจของเรวของเลยไม่มีจนแกเฒ่าไปมากๆแบบนี้เห็นว่ า, าร่างกายเนี่ยแม้กระทั่งร่างกายตนเองก็พึ่งไม่ได้ ที่อื่นน่ะเราลองพิจารณาดูที่บุคคลอื่นพึ่งได้จะแค่ไหนเทียวบางคนก็หวังพึ่งพี่พี่น้องพึ่งพ่อพึงแม่นี่ยพึ่งไม่ได้ละพ่อแม่น่ะเพราะว่าโตขนาดนั้นแก่ขนาดนั้นพ่อแม่ตายหมดแล้วถึงไม่ตายหมดก็ยังเต็มทีแล้วเราถ้าอีกจะต้องให้พ่อแม่เลยพึ่งผาใส่พึงพ่อแม่ไม่ได้ละพึ่งพี่พึ่งน้องจะพึ่งได้ที่ไหนแล้วเขาก็ไปมีข้อบกรัวของเขา แล้วก็ ไ, ไวเดียวกันกับเราแล้วเนี่ยแล้วพอดีนองกระะพอพอกันกับเราก็เลยพึ่งกันไม่ได้จะพึ่งลูกพึ่งเจ่าก็ไปทํามาหากินของเขาไปร่ําไปเรียนของเขาพอในในที่สุดก็จนจนแดงแล้วพึ่งใครไม่ได้ละตอนนี้นั่นทนี่ในมาหวนคิ ด, ดูว่าพระพุทธเจ้าท่านพูดบอกว่าตนเป็นได้พึ่งของตนเนี่ยไม่ยังคอยชัดึ้นมาแล้วตอนนี้ตนเป็นได้พึ่งของตนเนี่ชัด ขึ้นมาค่อยๆเป็นอย่างเป็นชนิดชนิดไปจะเดินจะเหินไปไหนมาไหนแทนที่จะมีผู้คอยดูแลคอยประยุงเก็บให้ได้ป่วยมีคนมาคอยเฝ้าดูเฝ้าแลก็เป็นห่วงใหญยกังวลมันก็ไม่มีให้ละมันจะเห็นเนี่ะพึ่งอะไรใครที่อื่นนะี่ยพึ่งไม่ได้หรอกค่อยเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นทุกทีแต่ตัวเองก็แก่ซะแล้วจะมาทําความภาคความเทียนมันก็ แค่จะไม่มีเวลาแล้วที่เห็นว่าเวลานี่มันสั้นเหลือเกินในความรู้สึกของคนปกตินั่นเขาบอกว่ามีความรู้สึกต่อบันเวลาเนี่ยถ้าอายุมากที่รู้สึกว่าวันเวลามันสั้นลงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นสั้นลงเป็นเป็นไปตามอายุถ้าอายุมากที่รู้สึกว่าวันหนึ่งมันสั้นสั้นเดีวนิดเดียวลองพิจารณาดูทีนี้คาที่ท่านว่า ชีวิตเป็นของน้อยเน็เนี่ยที่ท่านพูดขึ้นมาไม่ได้พูดขึ้นมา ล, ายลอยๆหรอกไม่ได้พูดขึ้นมาแล้วให้เราฟังเลยแล้วเออดีถูกต้องชื่นชมยินดีปรบับปริ่มด้วยกับถ้อยคานี้มันถูกหรือเกินไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านให้หมายความว่าชีวิตมันเป็นของน้อยแต่ชีวิตเป็นของมีค่าแล้วจะเอามาทำอะไรเราคือมันจะเป็นมีประโยชน์มากที่สุดนะ่ะ ก็ต้องเอามาภาวนาอยู่มาภาวนาจิตใจจะฟ้องนะ่ะใครก็ยังไม่เคื่อพอจนแก่จนเท่าหลักจงเห็นว่าอไอ้ที่เราใช้เวลาชีวิตไปเกือบจะหมดแล้วเลือนิดเดียวเนี่ยมันไม่เป็นแก่นเป็นศาลอะไรเลยมันไม่มีความดีอะไรพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้เลยเนี่ยนั่นมันจึงมาเห็นอ่ะว่าจะต้องทําแบบพระพุทธเจ้าดีกว่า คือกิจการงานอะไรในในชีวิตเนี่ยเราควรจะทําให้มันเป็นแก่นเป็นสางขึ้นมาพอที่จะให้ตนชึ่นคาอาศัยได้ท่านบอกว่าอย่าประมาทนั่นท่านหมายความว่าสตูนะ่ะมันตามติดมาอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดมาทีเดียวนั่นแหละความตายก็ติดไล่ติดตามมาตลอดเวลาเราสังเกต ด, ดูพอเกิดมาเนี่ย ความตายก็ติดตามมาทันทีนะมันไม่ได้ลังรอนะมันได้โอกาสเมื่อเราพัฒําตายตายตั้งแต่เป็นเด็กนู่นนะก็ได้ตายตั้งแต่ในพ้องแม่นู่นก็ได้นะ่ะเห็นไหมมันตามมาอยู่ตลอดเวลานะเอาไม่ตายตอนเด็กพอโตขึ้นมาเป็นหนุ่มไม่นสตายก็ได้เนะีย่ยดูดีๆไม่เก็บเม่ไข้ไม่ปวยขับโมอเตอร์ไซค์ไปชนก็นตายความตายตามมาอยู่ตลอดเวลานะ ตามมาเด็กๆตามมาเรื่อยๆเนี่ยท่านก็ยบอกว่าอย่าประมาทคำว่าไม่ประมาทก็คือหาที่พึ่งเมื่อมันจะตายจริงๆเนี่ยจะถึงเข้าที่จนจริงๆจะพึ่งอะไรเราพึ่งพ่อพึ่งแม่หรือก็อย่างที่พูดนี่ยพึ่งไม่ได้พึ่งพี่พึ่งน้องก็พึ่งไม่ได้พึ่งลูกพึ่งหลานมพึ่้ใดทีไหนยิ่งโดยสมัยนี้แล้วมันไม่มีใครมาให้เราพึ่งหรอกทีนี้หันมาพึ่งตนเองเลยตอนนี้ พูดตนเองแล้วมันพึ่งได้แค่ไหนเราแข้งขาอย่างเงี้ยแข้งขามือไม้ตนตัวเนี่ยมันแทบจะไม่ให้พึ่งแล้วตรงนน้นก็เจ็บตรงนี้ก็ปวดจะไปสบายสบายจะนั่งสบายสบายมันก็ไม่ได้จะเดินไปดีๆเหมือนพูดเหมือนคนเขาก็ไม่ได้ต้องกระโตกกระเพกอย่างเี้ยและอีกไม่นานมันก็จะไม่ทาไปแล้วเนี่ยมันจะพึ่งอะไรที่ไหนเราหลังกายนี่แหละมันจงมาถึงใจหลักเราเนี่ย นี่แหะเหตุผลอย่างนี้แหละนานจนป่านนี้แหละถึงจะได้มารู้เรื่องจะได้มาเข้าใจที่จะยอมรับเนี่ยในที่นี้ใจเรามันเพิ่งได้ได้หรื อ, อยังละ่ะเราเนี่ยใจเพิ่งได้หรื อ, อยังจิตใจมันเข้มแข็งบ้างไหมอารมณ์ต่างๆที่มากระทกกบกับจิตใจนะ่ะหยุดยั้งไว้ได้บ้างได้ไหมให้มันเป็นปกติได้ไหมไม่ส่วนไม่เสกไม่รักไม่ชังไม่โกรธไม่เพียง ไม่คุณไม่ป้องอะไรเนี่ยไม่กระสะับกระสายยังไม่ได้ไหมเราก็จะเห็นันทีว่าโอ้แม้กระทั่งใจก็จะพึ่งไม่ได้จนแล้วเนี่ยไม่อหมดเลยที่มันมีอะไรเราเนี่ยมีกายกับใจใกล้น้ำพึ่งไม่ได้ไแล้วใจกระแสนจะพึ่งไม่ได้อีกเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าอย่าประมาทนะคือให้ฝึกใจถ้าเราฟังคำของพระพุทธเจ้าตนกสนใจมลยก็ตั้งกระเด็กนีน่นะ เราก็จะได้ฝุกใจมาตั้งแต่เด็กนู้นถ้าเรายอมรับฟังแล้วก็เชื่อโดยเหตุโดยผลนะเฮ้ยจะได้ฝึกมาตั้งนานแล้วเมื่อฝึกมาตั้งนานแล้วเนี่ยมันก็จะเต้นจิตใจก็จะเข้มจะแข็งมีหลักมีเกณฑ์เนี่ยจิตใจที่จะกระสับกระซายกระวนกระวายเดือดร้อนรุ่มร้อนต่างๆด้วยเหตุต่างๆมันก็จะสามารถหยุดยัง้งยืนหยัดอยู่ได้ ถ้าได้ฝึกมานานเพราะฉะนั้นกันท่านจึงบอกว่ามันมีจุดเดียวมีอย่างเดียวเท่านั้นนะที่จะพึ่งได้อยู่ในตัวเรานี่แหละสิ่งที่เราจะพึ่งได้อยู่ในตัวเราแล้วก็ไม่ใช่แข่งมายาามันอยู่ที่จิตมันอยู่ที่ใจดังนั้นที่พวกเรามานี่น่ะใครจะรู้หรือไม่รู้ก็จงรู้เช่ไในบัตนี้ว่าที่เรามาเนี่ยเราจะมาฝึกเอาที่ใจของเรา อย่าเด็ดวิคิดไปหวังพึ่งที่อื่นคิดหวังพึ่งร่างกายคนอื่นคิดหวังพึ่งร่างกายของตนเองมันก็พึ่งไม่ได้ร่างกายคนอื่นนะพึ่งไม่ได้เห็นชัดร่างกายของตนเองมันก็กาลังจะไม่พึ่งอยู่แล้วมันแก่แล้วเนี่ยงกเงินหมดแล้วหูตาก็ไม่ดีประสาทก็ไม่ดีสมองก็ไม่ดีแล้วมันจะไม่พึ่งแล้วนี่แต่ใจเท่านั้นแหละ เพราะฉะนั้นเราจึงควรจะให้ความสําคัญของใจให้มากๆวันวั น, นการฝึกก็มีอยู่พระพุทธเจ้าก็สอนไว้สมถะภาวนาวิปัสนาภาวนามีอยู่สองเท่านั้นแหละแล้วก็ฝึกตั้งใจฝึกเวลาไหนก็ให้มันรู้สึกว่าคือชีวิตชีวิตเนี่ยเป็นของน้อยนิดเป็นของทั้นวันหนึ่งก็คือชีวิตแล้ววันหนึ่งคือชีวิตเป็นของขั้นนี่แหละมันมี มันมีราคาเราก็ควรจะทําในสิ่งที่มันเป็นมีราคามีคุณค่าที่อย่างชั่วโมงหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งเนี่ยแทนที่เราจะทําอย่างอื่นนะั่นเราเอามากําหนดที่จิตเนี่ยจะเดินไปไหนมาไหนมันก็จะผ่านไปวินาทีหนึ่งจะผ่านไปนาทีหนึ่งจะผ่านไปชั่วโมงเนี่ยกําหนดมันอยู่ตรงนี้แหละกําหนดอยู่ที่จิตนี่แหละ ให้นึกดูวา่าไอ้ตอนนี้เรามีความรู้สึกรู้จักตัวไหมมีความรู้สึกนึกคิดไหมเนี่ยเราดูอยู่ตรงนี้เราก็จะเห็นทันทีแหละ like อ๋อมีความรู้สึกมีความนึกคิดเนี่ย ah. เราก็พยายามทรงความรู้จักอยู่ในตรงนี้แหละตลอดเวลาขณะนี้ก็ท่งอยู่เดินไปเดินมาก็ท่งอยู่นั่งก็ทรงอยู่จะกินข้าวอยู่ก็ทรงอยู่เนี่ยเดินไปวิ่ท่บัตรก็ท่งอยู่อย่างนี้ ถ้าอย่างนี้ท่านเรียกว่าไม่ประมาทชีวิตเนี่ยมันผ่านมายาวนานแล้วมันเหลืออยู่นิดเดียวเนี่ยนะยิ่งจะต้องเก็ตเอาให้หมดอย่าได้มัวปล่อยจริงให้มันประมาทเรียล่าไปไปคิดเรื่องนอกเรื่องคนโน้นคนนี้ไปกลัวไปหมดคิดไปแล้วไหม่คอบางทีไปทะเลาะเบาแวงไล น, นีิไปหาเรื่องให้เร า, เามาใส่หัวเจ้าของเนี่ต่อไนปนี้ให้กําหนดที่ใหม่ละ ให้รู้ว่าเราเหลือน้อยแล้วแล้วน้อยเนี่ยมันก็มีราคาอยู่แต่มันมีราคามันก็เหลือน้อยน้อยต้องใช้ให้มันดีที่สุดกับการงานที่มันมีคุณค่าที่สุดก็คือใจใจเราเนี่ยกาหนดอยู่ตรงนี้จะดีเพราะอะไรจะดีด้วยวิธีไหนก็ไม่ต้องไปสนใจมันละกาหนดให้มันรู้อยู่ในนี้รู้ใจตนเองอยู่เนี่ยคนเราน่ะ โดยเหตุด้วยผลถ้ามันจะทุกข์พอดีมันจะสุกก็ดีมันอยู่ที่ใจทั้งนั้นถ้าใจยอมรับใจยอมรับใจสบายเป็นความสุขเป็นความร่มเย็นได้ถ้าจิตใจไม่ยอมรับต่อให้มันดีแค่ไหนมันก็รุ่มร้อนมันไม่ยอมรับมันก็ะสับกระส่ายเลยนั่นลหละไม่มีรอกความสุขอย่างนั้นนี่มันอยู่ที่ตรงนี้ทั้งนั้นเราก็รักษาใจสิ อยู่ตรงนี้ก็ให้มีความรู้สึกว่าเรานั่งอยู่ก็มีใจอยู่ก็นัดให้รู้อยู่อย่างเนี้ยเข้ารู้อยู่อย่างนี้อยู่ตลอดวิธีการมันก็มีอยู่อย่างนี้แล้วที่เราบกพ้องมาตลอดเวลาก็เพราะอันนี้แหละเพราะเราไม่ทําตามที่ท่านว่าคิดใจแล้วไม่อยู่กับเมืม้อกับตัวเลยสรงไปเรื่อยส่งไปเรื่อยตั้งแต่เกิดมานั่นแหละพอเป็นหนุ่มเป็นสาวก็สรงออกไปเรื่อย ไว้ต่างคนเป็นหนุ่มเป็นไว้ต่างคนเป็นแก่เแล้วก็ทรงไปเรื่อยไขวค้าควานไปเรื่อยหาควันควายห า, าไปเรื่อยถ้าไม่เดล็กลับไปไหมสักทีนี่ของดีที่สุดคนอยู่ที่ใจตนเองกําหนดมาเนี่ยกำหนดมาที่นี่ยังไม่สายนะยังไม่สายมีเท่าไหร่เราทุ่มเทให้อันนี้หมดเนี่ยแล้วก็กําลังใจก็คงจะค่อยๆขยับขึ้นมา สภาพของจิตใจที่ไหน ม, มีหลักไม่มีเกณฑ์มันก็จะค่อยมีหลักมีเกณฑ์เป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาถ้าเราไม่ทำอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นหรอกจะมาอยู่นานเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นให้หรอกภาวนาเนี่ยจะไปอยู่สนักไหนที่ครูบาอาจารย์ดังที่ไหนติดตามไปท่านมีองค์นั่นมีชื่อเสียงอุนีชื่อเสียงหลวงปู่นั่นครูบาอาจารย์นี่ไปไปเถอะแต่เพื่อตอนเองไม่พยายามรักษาใจของตนเอง ไม่รับรู้ใจขู้ตนเองไม่รู้ตัวอยู่ตรงนี้ใจยังไงยังไงมันก็ไม่สําเร็จอะไรให้ไม่ได้รับความลมเย็นเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือได้ยายอย่าปล่อยให้ที่ไปเราให้สํานึกนะที่ควงควายไปที่อื่นนะ่ยไม่ได้เรื่องเท่านั้นเนะี่เลิกเราเหลือเวลายิ่งน้อยอยู่กลับมาใช้กลับมากําหนดอยู่ในเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นอยู่ในนี้แะเราจะดีหรือเราจะไม่ดีก็กำหนดอยู่ในนี้แหละ ในที่สุดมันจะค่อยๆมีหลักมีเกณฑ์มันจะดีจะดีเพราะเราอยู่ตรงนี้แหละเหมือนบ้านเราเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็รักษามันอยู่ตรงนี้เรารับรู้อยู่ตรงนี้มันจะดีมันจะถูกมันจะพังเราก็ซ่อมมันอยู่ตรงนี้ในที่สุดบ้านเราก็สะอาดหมดจดมันก็มีความดีอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราวันนี้เราฟังเทศของลุงปู่ล้วจงกำหนดจิตกำหนดใจว่าอย่าสรงให้มันนี้ไปที่อื่น ของดีๆที่หลวงปู่ท่านเทศมาอุบายต่างๆมันพร้อมที่จะมากระทบจิตใจเราจะยัด จ, จับเอาเป็แง่เป็นอับเป็นรมพิจะะารณามันก็เลยจะไม่ติดแหละมันจะไม่ได้แล้วมันจะจับเขาไม่ได้เลยแต่จิตใจมาอยู่คล้ายๆกับคนเขาจะเอาของดีๆมาให้ประเทนให้ที่บ้านแต่เจ้าของบ้านไม่อยู่ใช่ีหมทำไม่มีใครรับไปอยูก็ไม่ได้อะไรเลยแบบนี้ก็ขาดทุนมาก ไม่สมนะไม่สมกับที่เขาให้เกิดมาแล้วเอาต่อไปนี้ฟังเทศต้องปูกัน